มันเป็นเรื่องง่ายนะที่จะทำความดีกับคนที่ทำดีกับเรามันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำความดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นึ้นถึงความมีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็คือการที่เราสามารถจะทำความดีกับคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ทำดีกับเราเพราะเราตระหนักว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราและเราตระหนักว่าเมื่อเราทาความดีแล้ว